ขอเรียนเชิญผู้ปกครองลิขิตวังชนะจิตเชิค่ะเรียนเชิ ญ, ท, ชญที่สนาในหัวข้อชัยชนะของคริสเตียนค่ะ พระเจ้าสําหรับชาววันนี้ที่เราทลายได้มาอยู่ที่นี่ร่วมกันนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ก็ทรงเคลื่อขนขัติจักรของเราไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะครับเราจะมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อสี่บัจของเราแนะนําให้เราได้ชายหนังสือที่เป็นโครงร่างสําหรับการนมัสการในครอบครัวเชื่อว่าพี่น้องได้ มีกันทุกบ้านครบแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ติดต่ออาจารย์ศาสวรรคได้นะครับและใช้หนังสือเล่มนี้ตอนนี้มาถึงอาทิตย์ที่5แล้วนะครับในเรื่องคําเตือนให้ระวังการล่อลวงซึ่งถ้าพี่น้องได้ใช้เล่มนี้ก็จะเป็นพระพรในการวางรักฐานให้กับตัวท่านเองแล้วก็ลูกหลานของท่านในครอบครัวและที่น้องที่อยู่ระบว้างแต่ถ้าท่านเป็นคนเดียวในครอบครัวท่านก็จะสามารถใช้ได้ด้วย เพราะชีวิตของเรากับพระเจ้าสามารถที่จะผูกพันกันและเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าท่านเป็นคนหนึ่งในครอบครัวนะครับที่เป็นคริสเตียนและอธิษฐานวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรให้ขยายเขตแดนแห่งความเชื่อนี้กว้างขวางออกไปด้วยในเช้าวันนี้ผมคิดถึงว่าพระเจ้าได้นำหลายหลายคนตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้มารู้จักกับพระเจ้าและอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่ที่ท่านจะได้รับการ วยพระพรในความเชื่อที่ถูกต้องและมีพื้นฐานที่ดีงามและเป็นประโยชน์สําหรับท่านและเป็นพระพรสําหรับอนาคตด้วยซึ่งนอกวันนี้ท่านอาจจะไม่รู้แต่ท่านวางพื้นฐานที่ดีจะเป็นพรสําหรับอนาคตอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงอยากจะร่วมใจกันนะครับที่จะคิดถึงชัยชนะของผู้ที่เป็นคุเรียนและท่านที่เป็นครุเรียรนานแล้วก็ถือโอกาสได้ทบทวนนะครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้มั่นคงขึ้นและก็อธิษฐานเพื่อเราทลายร่วมกันให้เราลูบใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาที่รักขอพัดอานทรงวิทย์ของโปรงนั้นเคลื่อนออกเหนือข้าพระทลายข้าพระทลายมีความชื่นชมมีดีเมื่อนำมัสการโปรง์ด้วยบทเพลงและข้าพระองค์ทลายมีความชื่นชมมีดีในการเข้ามาสรรสถานามัสการของโปรงด้วยเพื่อพระองค์จะทรงโปรงให้พัดอันนิเกียร์ของโปรงนั้นแต่ต้องหัวใจข้าพระทลายทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ที่จะรับการอวยพรจากพระองค์และเห็นความชัดเจนในข่าวประเสริฐแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราทลายจะทราบซึ้งตืงใจและมีความชื่นชมยินดีร่วมกันในเช้าวันนี้เมื่อร่วมกันนมัสการและอิ่มเอิบไปด้วยพระคำของพระองค์เราทลายจึงร่วมใจกับิฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคริเสเตียนคือผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้า และมอบชีวิตของเราให้พระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราและเมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระองค์นั้นถือว่าเราย้ายครอบครัวมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราจึงมีพ่อแม่ที่จะดูแลคือพระเจ้าพระบิดาเป็นทั้งพ่อและแม่ในการดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราให้เราเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นและเต็มพระพรดังพระสัญญาของพระองค์ในยอนบทที่1นข้อที่12หลายคนทั้งได้พร้อมกันครับ บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่จะยากหน่อยเพราะมีฉบับหนึ่งเก้าชนหนึ่งและฉบับสองพันหนึ่งเราเป็นคนโบราณครับก็ได้หนึ่งเก้าชนหนึ่งเมื่อก่อนนะครับเราเนี่ยอยู่ในความมืดพระเจ้าย้ายเรามาอยู่ในความสว่าง เมื่อก่อนเรามีมันที่ครอบครองชีวิตของเราอยู่ทําตามอาเภอใจตอนนี้พระเจ้าย้ายเรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเมื่อก่อนเราเป็นทาสต้องทําตามสิ่งต่างๆที่เราไม่พึงพอใจไม่ปรารถนาแต่เราก็ยังต้องทําแต่ตอนนี้เราเป็นไทยละมีเสรีภาพในการที่จะเลือกพ้นจะอํานาจของความผิดและความบาปและมีชัยชนะได้เมื่อก่อนนั้นเราเป็นผู้แพ้แพ้อยู่ตลอดการต่อความผิดและความบาปและโดยเฉพาะ หลังจากเราตายค่าจ้างของความบาสนั้นคือความตายเราจะต้องตายนิรันด์แต่ว่าบัดนี้เมื่อรู้จักกับพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้วพระสัญญาของพระองค์บอกว่าแตเ่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์บัดนี้เรามีชีวิตนิรันด์แล้วไม่เกี่ยวกับความประพฤติไม่เกี่ยวกับความประพฤติ หลายคนอาจจะประพฤติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ท่านก็ได้รับความรอดเพราะท่านเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือความบาปแต่ท่านอาจจะทำให้พระเจ้าไม่ดีใจไม่ชื่นชมฉังนั้นการเป็นผู้เชื่อใหม่เท่านั้นไม่พอครับฉะนั้นท่านที่เป็นผู้เชื่อใหม่ท่านต้องตระหนักและตื่นตัวขึ้นว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทาร่วมกันเพราะคริสเตียนคือผู้ชนะ แต่ผู้ชนะเนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยไม่ใช่เราสู้เองแล้วเราได้รับชัยชนะแต่พระเยซูคิดทรงสู้แนละสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและพระฤทิตของพระองค์ทําให้เราได้รับชัยชนะโดยความเชื่อและเมื่อเราได้รับชัยชนะแล้วพระองค์ป ร, ปรานหนาที่จะให้เรารักษาชัยชนะนี้ให้มั่นคงงดงามและก้าวหน้าต่อไปเพื่อคนอื่นถามเราเขาจะได้ชื่นชม เมื่อคนอื่นเห็นชีวิตของเราเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระเจ้าทรางให้กับเราแม้ว่าเรารู้จักพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแต่ชีวิตของเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาไม่มีอุ ป, ปรสรรคสำหรับบางคนอาจจะมากกว่าอีกแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็คือว่า เมื่อก่อนนั้นเราต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองแต่ตอนนี้เราเลิกต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองแล้วแต่เรากำลังต่อสู้ร่วมกับพระเจ้าของเราช่วยกันในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงและชีวของเรานั้นเหมือนกับองค์พระเยซู เ, เจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนี่คือสิ่งที่ต่างกันครับ เพราะว่าพันสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าพระวิญญาณบริสุดจะเสด็จเข้ามาสถิตยอยู่ในชุวของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่ช่วยชีวิตของเราเมื่อเราตั้งใจที่จะทําการดีพระองค์จะร่วมมือกับเราที่จะทําการดีนั้นให้สําเร็จแล้วก็เป็นพรในชีวของเราและไปที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ดืวเห็นนี้ตั้งแต่เมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้เชื่อใหม่เติบโตขึ้นในครอบรครัวของพระองค์ให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตพระองค์ก็พร้อมที่จะสร้างชีวิตของเราขึ้นงานสร้างชีวิตของเรานี้เป็นงานหนักครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เบาๆเลยพระเยซูคริสต์ก็ไม่เคยสัญญา ให้กับใครว่าเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วท่านก็จะสบายสบายตลอดชีวิตไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่แต่พู้องกําลังเรียกร้องว่าท่านได้รับความรอดแล้วพ้นจากบาปแล้วมีชัยชนะแล้วขอท่านได้รักษาเกียรติของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รัก แล้วพระเจ้าก็จะทรงโปรดอวยพรชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมันยากยังไงเหรอในหนึ่งทิโมธีบทที่สี่ข้อเจ็ดถึงแปดบอกว่าจงฝึกตนในทางของพระเจ้าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตผมเคยเป็นทหารฝึกนี่ยากครับ ถ้าได้ยินเสียงนกบวดปิ๊บเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหหัวใจมันตกใจเลยนะตอนที่ปดประจําการใหม่หมๆแล้วกลับบ้านเนี่ยขึ้นรถเมล์เนี่ยกระเป๋ากระเป๋าปุ๊บตงสะดุ้งเลยครับเพราะว่าเราฝึกจกนกระทั่งเรารู้สึกว่ามีสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราต้องตื่นตัวการฝึกก็ต้องฝืงนแล้วเราเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยในชีวิตต้องฝืนครับมีความเพียรพยายามมีความอดทน มีวินัยมีความสม่ำเสมอในเราจรึงเป็นผู้ที่ใช้การได้และผมก็ได้รับรองว่าเป็นผู้ที่ใช้การได้คนหนึ่งเหมือนกันในยกนั้นยากครับแต่ว่าเรามีพวกยานโรยสุดที่จะช่วยเราให้ทําเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เรียบง่ายได้โดยความช่วยเหลือซึ่งมาจากกรงขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อก่อนนั้นเราทาตามใจตัวเอง อยู่ในความบาปแต่ตอนนี้เราจะไม่ทำตามใจของเราอีกต่อไปเราจะเคลื่อนใจของเราไปกับพระเจ้าเพราะพระองบอกว่าอยากจะให้เรามีชัยชนะไม่เพียงแต่ชนะบาปแต่ชีวิตของเราจะมีชัยชนะต่อการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยชนะอย่างไรโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าชีวิตของเราไม่ควรจะดำเนินต่อไปตามแบบอย่างคนในยุคนี้ ยุคนี้ทำไงครับมือใครยาวสาวได้สายของเราถ้าผลประโยชน์มาเราก็รีบเอาผลประโยชน์นั้นไม่ต้องให้กับใครถ้ามีช่องทางที่จะกอบกลยเราต้องกอบกลอยไว้ก่อนถ้าจะสบายเราก็สบายไว้ก่อนเห็นแก่ตัวไว้ก่อนอันนั้นคือแบบของโลก และถ้าหากว่ามีการแข่งขันที่ไหนเราต้องแข่งขันให้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดฉะนั้นก็น่าจะสงสารเด็กๆทุกคนมากที่ตัวเล็กๆต้องเรียนต้องฝึกต้องทำหลายๆอย่างแารที่จะเล่นแบบสนุกสนานจนกระทั่งถึงวัยที่เขาควรจะเรียนแต่เราก็ตามเรารู้ว่าพระเจ้า ปรารถนาที่จะให้เราเลียนแบบของประเาแบบของพระชาเป็นยังไงก็คือเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราจิตใจและอกวินิสัยของเราที่เมื่อก่อนนั้นยังติดค้างอยู่ยังตามรามาอยู่อาจจะเป็นความอิจฉาลิสยาอาจจะเป็นความมักใหญ่ไฟสูงอาจจะเป็นความทะเยอทยานอาจจะเป็นความโลภอาจจะติดนิสัยโกหก เป็นนสัยเอาเปรียบแล้วก็ไม่สนใจใครอาจจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากมายถึงกับฆ่าคนทำร้ายคนแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของความเกลียดเล็กๆน้อยๆที่ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็สะสมไปเป็นความไม่ชอบเป็นความขมขื่นแล้วในที่สุดเป็นความแค้นเป็นความแค้นที่ตอบแทนทาร้ายและในที่สุดนำไปสู่การฆ่าแล้วก็เป็นความบาด มันหลายอย่างค่อยๆค่อยๆสะสมเพราะว่าเราปล่อยปลวเลยไม่ให้พวกยามไปสุดช่วยแล้วมีชัยชนะเราก็ตกอยู่ภายใา้อำนาจที่นำเราไปสู่ความจอมปลอมทั้งหลายนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้เราเปลี่ยนจิตใจเพื่อเราจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้อะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพวกยางบอกต่อไปว่าถ้าผูดด้ใดอยู่ในพระคิด คนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปและสิ่งใหม่ของพระเจ้าจะเข้ามาแทนที่พระองค์น่ารักมากเลยน่ารักมากพระองค์ส่งให้เราอ่าให้ให้พวกเราเนี่ยรับผิดชอบในการดูแลชีวิตของเราร่วมกับพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์ก็สรงประทานอาวุธให้กับเราด้วยเนาะในการต่อสู้เพราะชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ในสนามรบฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ฉูกโจมตีอยู่เรื่อยๆเลยบางทีเราไม่รู้ตัวนะนี่เหตุเป็นเหตุว่าทําไมเราถึงอ่อนแอทําไมเราถึงอ่อนกําลังทําไมเราถึงชนะไม่ได้ทําไมเราถึงเดินในวิถีชีวิตแบบเก่าอีกแต่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับความรอดท่านท้าวายรอดแล้วโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ชีวิตหลายอย่างที่เรายัางต้องรับการสร้างจากพระองค์เพื่อจะดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรทีรัก และนั่นคือชัยชนะในอำนาจบาปและชัยชนะในการดำเนินชีวิตด้วยและเมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้านั่นคือชัยชนะนิรันดร์ที่พระองค์จะทรงโปรดให้กับเราสามชัยชนะเมื่อก่อนเราชนะแล้วในอดีตชนะบาปทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่พระองค์กำลังจะบอกเราว่าให้เราร่วมชัยชนะกับพระองค์ในการดำเนินชีวิตพระแห่งอาวุธอะไรกับเราครับในเอเฟซัสบทที่หก ในที่นั่นตั้งแต่ข้อที่สิบสิบแปดบอกกับเราว่าพระองค์ประทานอาวุธให้กับเราเจ็ดชิ้นด้วยกันนะมีอะไรบ้างครับอาวุธเจ็ดชิ้นนี้ที่ให้มาเพื่อต่อต้านมานรร้ายที่จะคอยสกัดกัน้นไม่ให้เราต้องมีชีวิตที่สวยสดงดงามมีชีวิตที่ดีงามตามแบบของพระเจ้าพระเจ้าประทานอาวุธชั้นดีให้กับเรา เจ็ดชิ้นในเจ็ดชิ้นนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทแล้วอ่านกันหน่อยดีไมอืมเอฟชัทนะครับบทที่หกข้อสิบถึงสิบแปดเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเนาะ ยาวชักหน่อยแต่ว่าเป็นพระพรสําหรับชีวิตปลายวิญญาณของเราครับเราจะได้ทราบว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างที่พระเจ้าให้กับเรานะครับพระองค์ไม่เพียงแต่ให้เรารับผิดชอบแต่พระองค์ทรงประทานอาวุธให้กับเราเพื่อความรับผิดชอบและหน้าที่ของเรานั้นประสบความสาเร็จนวดงามและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจะเริ่มแล้วนะครับเอเฟซัสบทที่หกข้อที่สิบถึงข้อที่สิบแปดครับ หนึ 1> 1, 2, สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมานได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผู้ผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่อํานาจพวกพูดผีที่คลองพิพพในยุคมืดต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสถานอากาศ พ่อวิญญาณนี้เพื่อจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วรายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไวเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเ ก, กาะป้องกันอกและเอาความทั้งพร้อมข่าประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล ด้วยโลกนี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายและจงถือพระแสงของพระวิญญาณจงถือแสงข้าวิณยานเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการฉันนิมเกิดั่งเชื้อนุกนด้วย พอแค่นั้นครับขอบคุณครับเราเห็นว่าในที่นี้เราจะพบว่าพราะเจะนาให้เราเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์บอกเช่นนั้นใช่ไหมครับและเราสามารถที่จะเข้มแข็งได้ด้วยอาวุธเจ็ดชิ้นด้วยกันในเจ็ดชิ้นนี้แบ่งออาไป2สองประเภทคือภายใน หนึ่งชิ้นและภายนอกหกชิ้นภายนอกแบ่งเป็นสองประเภทแบบที่ใช้สวมกับร่างกายมีสี่ชิ้นด้วยกันนั่นคือความรอบความชอบธรรมความจริงและข่าวประเสริฐก็คือหมวกเหล็กเสื้อกรอะเข็มขัดและถ่ายชมาชแมนและก็รองเท้าที่จะบุกตะลุยได้นั่นคืออาวุธสี่ชิ้นที่สวมกับร่างกายมีอาวุธภายนอกอีกสองชิ้น ที่ร่างกายเราถือไว้นั่นคือความเชื่อกับพระวจนะเพื่อเห็นภาพเปรียบเทียบก็คือโล่ที่กำบังกับดาบที่ใช้ต่อสู้และชิ้นสุดท้ายที่อยู่ภายในนั่นคือการอธิษฐานในพระวิญญาณหรือเปรียบเทียบไปเห็นก็คือการขอฤทธิอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เราจะดูและก็แนะนาอาวุธ สามชิ้นให้กับเรานะครับเป็นสามชิ้นที่อยู่ภายในหนึ่งชิ้นแล้วก็ที่เราถือไว้สองชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือโลครับหรือความเชื่อในเอเฟซัสบทที่หกข้อที่สิบหกกล่าวไว้อย่างนี้ว่าจงเอาความเชื่อเป็นโลด้วยโลนี้ผู้ท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมานได้หน้าที่ของโลมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อตั้งรับครับป้องกัน การโจมตีของศัตรูโล่จึงต้องแข็งแกร่งทนทานและมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาวุธทุกชนิดได้แม้กระทั่งลูกศรที่มีเพลิงเข้ามาก็ป้องกันได้นั่นแต่ลูกศรที่อันตรายครับมาไกลมาแรงไม่หวัน่นโล่ที่ดีมีประสิทธิภาพรับได้หมดทุกเรื่อง มีน้ำหนักเบาจับถนัดมือเคลื่อนย้ายสะดวกโยกย้ายไปมาปิดป้องคล่องแคล่วว่องไวรับแรงกระแทกกระทันได้หมดความเชื่อของเราเป็นเหมือนโลกในฮีรบรูบทที่สิเบเอ็ดบอกไว้อย่างนี้ว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นกับพระเจ้า นั่นคือความเชื่อเป็นเหมือนโล่ที่ป้องกันถ้าในกรณีเกิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจเข้ามาทดสอบชีวของเราเราต้องใช้โล่ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งป้องกันบางทีมีลูกธนูแห่งการหลอกลวงเข้ามาลูกธนูแห่งการสงสัยลูกธนูแห่งการท้อใจปึ้งปึ้งปึ้งเข้ามาฟาดตังเข้ามาเราต้องเอาโล่กำบังเอาความเชื่อนี้กำบังไว้ยากอบบทที่หนึ่ง ข้อที่ห้าถึง8ปได้บอกให้เราทราบอย่างนี้ว่าถ้าใครในพวกท่านคาสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประชานให้กับทุกคนด้วยพระทยัยกว้างขวางไม่ทรงตำหนิแล้วท่านจะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมซัดไปซัดมา คนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้านั้นจะมีความมั่นใจในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้ความช่วยเหลือและเราจะได้รับความช่วยเหลือนั้นเมื่อพระองค์ทรงให้เราทำสิ่งใดเราก็จะไม่หลีกเลี่ยงไม่หนี ไม่หลบไม่ถอยไม่หาข้อแก้ตัวแต่ยินดีที่จะทำและเมื่อเราทำแล้วพระเยซูคริสเปรียบเทียบคนที่เชื่อฟังพระองค์ว่าเป็นเหมือนบ้านที่สร้างไว้บนสิลาจะแข็งแกร่งทนทานจะถูกอะไรซัดถูกอะไรเป็นพายุลมอุปสรรคต่างๆนานาก็ไม่ลม้มลงแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เชื่อฟังก็จะเป็นเหมือนบ้านที่สร้างไว้บนทรายหล่อเละไม่มั่นคงและในที่สุดก็พังทลายได้ ฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อวางใจเป็นเหมือนโล่ที่กำบังในทุกสิ่งแล้วชีวิตของเราอาจจะมีอุปสรรคครับเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นมีความทุกข์ถาโถมมาอย่างหนักสาหัสหลายครั้งอาจจะเจ็บป่วยแต่เรายังวางใจในพระเจ้าได้เพราะความเชื่อเป็นเหมือนโล่ที่ป้องกันไม่ให้สิ่งใด มากระทบกระทั่งเกินกว่าจะมาถึงกายของเราได้ถ้าเมื่อไรเราไม่มีโล่มันมาถึงเราแล้วเนี่ยเราก็บาดเจ็บเจ็บป่วยแล้วก็อันตรายและในที่สุดอาจจะสูญเสียกําลังสําคัญไปได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงบอกให้เราถือโล่ไว้ให้มัน่นโลนี้ให้ให้ให้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแรงกระแทกและมารก็ไม่สามารถที่จะทําลาย มาถึงชีวิตของเราได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามานเนี่ยมันเป็นพ่อของจอมโกหกหลอกลวงเรามาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหลอกเราอยู่ตลอดให้เราทำไมครับออกห่างจากพระเจ้านั่นคือเป้าหมายของมานให้เราไม่จริงจังกับพระเจ้าให้เราละเลยกับแผงงานของพระเจ้าให้เราไม่ใส่ใจให้เรา เป็นแค่เสียงก็พอแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมันเหนื่อยโอ้มนันหลอกเอาเราฉะนั้นเราจะต้องใช้โล่ครับต่อสู้เรียนรู้จากพยานบรสุทธิและเอาชนะให้ได้แต่ว่าอาวุธชั้นดีเนี่ยที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราต้องฝึกครับให้มีทักษะหลายครั้งเนี่ยทักษะเกิดขึ้นจากอะไรครับ จากการเรียนแบบจากคนอื่นด้วยเหตุนี้พระวนจะนะจึงสอนเราบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่หลายคนที่ขาดการประชุมและชีวิตก็อ่อนกําลังลงเพราะถ้าเรามาเนี่ยถึงแม้เราอ่อนกําลังเราจะได้รับการหนุนใจแล้วเมื่อเรากลับออกไปเนี่ยเราจะรับการเฟิรนฟูชีวิตก็จะเข้มแข็งขึ้น ผมยังไม่เคยเห็นใครนะครับที่มาขึ้นจากอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลานะครับล้มลงและออกจากทางของพระเจ้าเลยยกเว้นคนที่มาบ้างไม่มาบ้างมาแล้วก็ไม่สนใจทําอะไรที่จะทําให้ชีวิตเราเติบโตเออนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์มนมีมีภาระใจอย่างยิ่งถ้าเราใส่ใจนะครับเห็นความสําคัญเนี่ยเราจะไปได้ไกลเล เมื่อสี่สิบปีที่แล้วผมใส่ใจในเรื่องครอบครัวมากและผมเห็นว่าภวชนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเช้านี้เราแบ่งปันในชั้นเรียนตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ผ่านมาสี่สิบปีผมเห็นผลแล้วในชีวิตของลูกในชีวิตของหลายคนที่เป็นลูกของคนอื่นที่ต่อเนื่องกันเกิดผลแล้วก็เป็นพรตอนนี้ผมกําลังที่ฐานเื่อหลานและกําลังเห็นอนาคตของเขาอีกยี่สิปีข้างหน้าตอนนี้เข้าสองเดือนครึ่งนะครับ แต่ผมมองเห็นอนาคตของเขาแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้านผ่านคาอธิษฐานพี่น้องสามารถ น, นิ้นิดที่จะมองการไกลแล้วก็เห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันที่ยังไม่เกิดถ้าสิ่งนี้ท่านเริ่มต้นตรง น, นี้มันจะเป็นจริงในวันข้างหน้าเอะที่เป็นจริงในวันนี้ก็เพราะว่าท่านเริ่มต้นในอดีตมาแล้วเห็นไหมครับพระลักษณะของพระเจ้า จะฟูงฟักและเปลี่ยนแปลงท่านไม่เหมือนคนในยุคนี้ที่ทำตามใจพระเจ้าจะช่วยท่านให้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เพียงแต่ดีเท่านั้นแต่ดีเลิศ ด, ด้วยพระเจ้าจะหนุนกำลังของท่านไม่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่อยากทำและทำไม่ได้แต่พระองค์บอกให้ทำและท่านทำได้ผมชอบตัวอย่างนี้มากครับ เพื่อนคริสเตียนของผมเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยน่ารักมากเลยแล้วคุณแม่เนี่ยหนุนใจเขาแล้วเล่าให้ฟังแล้วผมโอ้รู้สึกแบบอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่ดีบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเนี่ยไม่ชอบมากเลยลำคาญใจแล้วก็รู้สึกเกืยบจะเกลียดแล้วล่ะแต่ว่าพระเจ้าสอนให้รักเขาอะ่ะเมื่อเจอเขาเนี่ยแมไม่อยากนั่งใกล้ด้วยอ่ะแต่คุณแม่ทําอย่างนี้ครับคุณแม่อธิษฐานพระเจ้า พระบิดาที่รักตอนนี้ลูกยังรักเพื่อนของลูกไม่ได้แต่พระองค์ทรงสอนให้ลูกรักขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือลูกด้วยให้ลูกรับการเปลี่ยนแ ป, ปลงจากโครงรับกำลังจากพระองค์รับพลิอ้ออำนาจของพระองค์ที่จะรักเขาและอวยพรเขาได้และนี่คือชัยชนะในชีวิตของคริสเตียนตามยอนหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ใช่ไหมครับที่กำลังบอกไว้ เราสแสดงความรักเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วเรารักคนอื่นได้ถึงแม้ว่าไม่น่ารักเราสามารถอวยพรคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเขาทำร้ายต่อเราไม่ดีต่อเรานั่นหมายความว่าทำไมครับเราเป็นผู้ชนะแล้วตามสิทธิ์ที่นี้ที่พระเจ้าให้กับเราโอ้โหขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆถ้าหาว่าเราเป็นผู้ชนะ ความเชื่อของเราก็จะไม่เสื่อมถอยิพยรูบทที่สิบข้อที่สามสิบปดบอกไว้อย่างนี้ครับว่าคนชอบทมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยโอ้โหอะไรจะร้ายแรงยิ่งกว่าที่พระเจ้าไม่พอใจเราอ่ะถ้าพ่อแม่เราไม่พอใจชีวของเราเรามองหน้าพ่อแม่ติดไหมครับ คงไม่ติดเนะเาะแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะดืวยเห็นนี้พระเจ้าปราจนาจะพอใจชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราไม่รู้ลูกหลายคนไม่รู้นะทั้งที่พ่อแม่ก็สอนสอนสอนสอนแต่ทําไมเพ่อตามเพื่อนชอบเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตคุกคีสัมพันธ์กับพ่อแม่เรื่อความสัมพันธ์มันห่างเหินก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ย ไม่ได้รับการฟูมฟักให้เติบโตขึ้นเป็นแบบของพระเจ้าฉะนั้นอยากจะหนุนใจพวกเราครับว่าให้มาเรียนพระวจนะของพระเจ้ากันเถอะทุกเช้าวันอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ที่น้องที่สะดวกใกล้บ้านบ้านใกล้เครือจักรก็มาเรียนพระคภีในวันพุธพระาะวจนะของพระเจ้าจะช่วยท่านดีความเข้าใจเพิ่มจากความรู้ และร้าวใจกระตุ้นใจเตือนใจและเร่งเร้าให้เราเห็นแบบอย่างที่ดีเกิดความประทับใจและอยากจะทำตามพระเจ้านะและเราจะมีความสมคัญที่ดีกับพระเจ้าและพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมีประสบการณ์ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ประสบการณ์คำพยานที่เล่าจากคนอื่นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตคนนั้นคนนี้แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราหนุนใจนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อเราจะมีพื้นฐานที่ดีกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเราจะมีคําพยานที่ดีทั้งคําพูดการกระทําและเป็นพรสําหรับคนอื่นๆนั่นหมายความว่าเราเป็นพรวชนะของพระเจ้าเล่มที่หกสิบแปดใช่ไหมครับโอเก่งครับผมทดสอบครับหกสิบเจ็ดนะครับพระคัพพีมีทั้งหมดหกสิบหกเล่มนั่นคือโลนะครับพี่น้อง เสี้ยวโลดีๆแล้วโล่ที่พระเจ้าให้เป็นโล่ที่มีน้ำหนักพอเหมาะกับแต่ละคนครับโล่เล็กสําหรับคนเล็กโล่ใหญ่สําหรับคนใหญ่ให้เราใช้อย่างชํำนิชํานาญคล่องแคล่วนะรับป้องกันในขณะเดียวกันสามารถที่จะเ อ, อยับได้ได้วยนะถ้าศัตรูมาใกล้เนี่ยกระแากได้โล่เนี่ยเป็นอาวุธได้ได้วยนะปึง้งเข้ามาใกล้ปัน่นปึ้งปึ ง, ปงอย่ามาใกล้ไม่พี่บอกไงบอกว่าเมื่อซาตานมาทําไมครับสู้กับมันแล้วมันจะ นี่เราไปนี่เราต้องสู้ <c oughs> คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวอมาไกลๆไม่เป็นไรตั้งรับแต่มาใกล้ต้องไปต้องไปต้องไปไล่ไปอย่าให้อยู่ไหนพระนามพระเยซูเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ในชีวของเราไหานพนามพระเยซูเจ้าพระเจ้าครอบครองชีวของเราแล้วเราขอเชื่อฟังพระองค์เท่านั้นฤทธานุภาพของพระเจ้าขับไล่มันออกไปและมันจะไม่มีสิทธิ์ที่อำนาจเหนือชีวของเราเพราะมันแค่เป็นสินคํารามที่คู่ๆให้เรากลัว มันจอมหลอกลวงนะหลอกลวงทำความคิดให้เรากลัวให้ใจสัน่นแต่เรารู้ว่ า, วาเล่เพทูมันของมันเป็นอย่างนี้เราก็ใช้โล่ปึ้งปึงปึ้งปึ้งป้องกันแล้วก็ทำไมครับเออไล่มันไปอ่ะเรามาดูอาวุธชิ้นที่สองครับอาวุธชิ้นที่สองคืออะไรพระเจนาของพระเจ้าหรือดาบเนาะเอเฟซัสบทที่หกข้อที่สิบเจ็ จงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าดาบมีหน้าที่อะไรครับใช้ต้องกันและต่อสู้ด้วยจู่โจมทะลุทะลวงทำลายศัตรูใช่ไหมครับดาบที่ดีต้องทำไมครับเหนียวแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานคมกริบฟันชกขาดเลย ไม่ใช่ปอกฟันปั๊บต้องๆๆๆกระแทกอีกอดดาบชื่อดังโ mm hmm. พชนาของพระเจ้าเราต้องรับให้คมอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เมื่อซาตานมาเราก็ไล่ด้วยพระคมของพระเจ้ามันก็จะหนีเราไปดาบเนอกทนทานแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ใช่ฟันปั๊บทำไมครับดาบหักเลยหรือฟันปั๊บดาบบินเลยดาบก็ต้องแข็งแกร่งสามารถที่จะฟันเนื้อทุกชนิดได้ ให้ขาดชบัญในคิบตายเดียวนั้นต้องแหลมคมสามารถแทงทะลุทะลวงได้พระวจนะของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นครับฮิบรูบทที่4ี่ข้อที่สิยนยานนะยยนยันบอกว่าผู้วัจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย แล้โอยถ้ามีพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าก็จะหล่อหลอมชีวของเราเมื่อเราจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดบาปพะวจนะของพระเจ้าก็จะเตือนเราเมื่อเรารู้สึกอ่อนกําลังและไม่มีความกล้าพระวจนะของพระเจ้าจะหนุนเราให้มีความกล้าและจะออกไปเมื่อเรารู้สึกว่าท้อแท้ไม่อยากจะทำอะไรพระวจนะหนุนใจเรามีความขยันหมั่นเพียรเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในครั้งที่เราท้อใจหมดกําลังพระวจนะของพระเจ้าก็หนุนใจเรา เน็ตเหนื่อยมีภาระหนักมาหาพระเยซูพระองค์ก็ให้กําลังกับเราออกไปมีกําลังฟื้นฟูและต่อสู้เรายึดพระชนะของพระเจ้าไว้พระชนะของพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ถ้าเรายึดความคิดของเราไว้ทําไมครับวันหนึ่งมันก็จนตอกหมดครับความรู้มีวันหมดได้ใช้หมดใช้หมดแต่พระชนะของพระเจ้าไม่มีวันใช้หมด ด้วยเหตุนี้พระธรรมสุภาษิตบทที่สาก็ห้าถึงหกจึงเตือนใจเราบอกว่าให้วางใจในความรอบรู้ของพระเจ้าอย่าวางใจในความรอบรู้ของตอนเองและพระองค์จะทรงปรดกระทำให้วิธีของเราประสบความสาเร็จและลาบรื่นไม่ได้หมายาว่าไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งผมไปสอนผู้เชื่อใหม่เมื่อเลิกจากงานแล้วโอ้ยเหนื่อยมากกลับบ้านประมาณสี่ทุ่มกว่า สายใจแทบจะขาดเลยนะเช้าผมต้องตื่นตีห้าครึ่งออกจากบ้านนั่งรถนะครับวันละหกชั่วโมงนั่งรถเมสี่ต่อแล้วทำงานวนลนแปดชั่วโมงและตอนเย็นไปสอนผู้เชื่อใหม่กลับบ้านตอนสิบโมงขณะที่เดินออกจากซอยผมเหนื่อยแทบใจจะขาดโอ้พระบิดาพระพวงไม่ไหวแล้วพวงประทันลมที่เย็นมากเลยนะพัดมาโอ้โห ผมรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูใหม่เลยสดชื่นขึ้นมาเลยจิตใจนี่แจ่มใสเลยพระบิดาพรุ่งนี้ข้าพรองค์สู้ได้แล้วชั้ชนะามาแล้วพระงทรงฟื้นฟูนฟจิตวิญญาณขึ้นใหม่เหมือนไปริมน้ำแดนสงบได้พักผ่อนในพระเจ้าเมื่อเราขอกับพระองค์ครับความคิดของเรามันจนต่อมีจำกัดแต่เมื่อเราร้งทูลต่อพระองค์พึ่งพระองค์พระองค์ประทาน สิ่งที่เราไม่มีให้กับเราได้มีตัวอย่างที่ดีนะครับที่พี่เยซูเกตใช้ดาบเนี่ยคือพระจนานี่ต่อสู้กับมารซาตานในแมชชีวบที่สี่ เ, 14, เนาะเราเดูด้วยกันในพระแทมแมชบที่สี่เนี่ยพี่เยซูได้เริ่มต้นงานของพระองค์ได้การอดอาหารอธิษฐานสี่สิบวันและหลังจากที่พระองค์อดอาหารเสร็จแล้วพระองค์เสด็จดำเนินไป มาสตาลก็ตามมาที่จะทดสอบพระเยซูนะมาสตาลทดสอบพระเยซูทั้งหมดสี่ครั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับสี่ครั้งอ่อถูกต้องครับไม่หลงกลนน่น่าแบบถูกต้องครับทดสอบสามครั้งนะครั้งที่หนึ่งทดสอบเรื่องความขิวกระหายครับโอ้มาสตาลมาเลยนะท้าทายตำแหน่งของพระเยซูว่า ให้ใช้ฤทธิ์อำนาจสิในฐานะบุตรของพระเจ้าเปลี่ยนก็นหินให้เป็นขนมปังแตบบ่พระเยซูรู้กดูบายของมานครับสวนกลับทันทีเลยด้วยพระวจนะของพระเจ้าในแมทธิวบทที่สี่ก็สี่บอกว่าบทที่สี่ข้อที่สี่บอกว่ามนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวไม่ได้แต่ต้องดํารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ ของพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าเราขาดอาหารกายยังพอไหวแต่ถ้าขาดอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเราตายได้ถ้าไม่ตายก็อ่อนแอถ้าไม่อ่อนแอก็หมดแรงและบางครั้งมีโรภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นด้วยและโรคนั้นโอย สีบานขึ้จากก็รักษานําบากเหลือเกินหลายคนอ่อนกําลังและเป็นโรคฝ่ายจิตวิญญาณต้องรับการรักษารักษาไม่หยุดไม่หย่อนหายแล้วเป็นอีกเป็นอีกหายแล้วครับต้องขอพระเจ้าช่วยครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแตั้งแต่เริ่มต้นทําไมครับพ่อแม่สบายใจตอนนี้คุณแม่ผมอายุ84ผม64เวลากลับไปเยี่ยมเย็นน้นองสาวตอนนี้ดูตลอดพอกลับปับ๊บคุณแม่บอกขับแล้วดีๆนะ ครับผมอืมเราก็เอเออ่ให้สัญญากับคุณแม่ว่าสนุกสนานดีอ่ะเออเรามีการสื่อสารดีเวลาที่เราอธิษฐานกับคุณพ่อพระบิดาบอกว่าลูกใจเย็นๆนะครับผมคุณพ่อลูกจะขอใจเย็นแต่ขอคุณพ่อช่วยลูกด้วยเนาะเมื่อลูกถูกประทะลูกจะได้ใช้ดาบฟาดฟันได้อืมเหมือนพระ อ, องค์ที่เป็นตัวอย่างในการฟาดฟันนั้นเมื่อถูกก่อลวงขั้งที่สอง มันมาล่อลวงอะไรครับล่อลวงเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงมามายุยงแล้วก็พาพวองค์ไปที่สูงเลยบราการก็รวิหารบอกกระโดดลงมาสิแล้วใช้ทุตสวรร์มาลองรัทพระองค์โอ้พระเยซูโตอตอบกลับทันทีเลยได้มชชีวบทที่สี่ข้อที่เจ็ดบอกว่าไงครับยาทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านว้าวโอ้ มานมาหลอกนะด้วยพะระเจ้าของพระเจ้าบอกว่ากระโดดสิแล้วทูตสวรรค์จะมาลองพระคัมภีร์ว่าอย่างนั้นโอบางครั้งถ้าเราไม่รู้พระเจนะเราก็ถูกหลกแต่พระเยซูเชี่ยวชาญเนาะในการใช้ดาบฟันเลยสุดท้ายครับมานบอกอะครั้งนี้ต้องเอาเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยหลอกอะไรครับหลอกให้กราบมานไายแล้วมันลายจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน ครอบครองอยู่นี้ให้จะเลิกกิจการของมันนะต่อไปจะไม่หลอกลวงมนุษย์ละต่อไปจะไม่ทำ้ายมนุษย์ละ่อกนี้จะไม่ใช้เลยเพจจูบไปละถ้ากลกับไว้าดานมาสาดานแต่ว่าตอนนี้พระเยซูเนาะเห็นว่ามันหนักหน่วงเกินไปละอันนี้มันมันมันแบบว่าลามตามละมพระเจ้าให้สิทธิพิเศษแล้วคราวนี้เย่อหญิง่ง ตอนนี้กำลังจะกลับมาอีกแล้วก็ใช้เล่เพจบายอย่างนี้เพื่อทำไมครับ เ, ออเพื่อให้พระองค์ยอมพระองค์ก็พูดแรงเลยเนาะขับไล่เลยตอนนี้มาทำไมครับบอกช้ำเลยอ่ะก็อักก็อวนเลยกากูนยังไงพี่ยอชูบอกว่าในข้อที่สิบจงไปบนเจ้าสาตา เพราะพระคมภีรเขียนไว้ว่าจุงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปดิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวโอ้ซาตานบอกช้าครับตอนนี้กลับไปแบบหมดสภาพเลยอ่ะหมดสภาพเราสามารถที่จะใช้ฤทธิอำนาจอย่างนี้ต่อสู้กับมารได้ยอยา ก, กบอกบทที่สี่ข้อที่เจ็ดบอกว่าพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจุงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไปจงต่อสู้กับมนันแล้วมันจะไม่หนีจากท่านไปถ้าท่านไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าไี่พูดกลับกันเนาะสำหรับบางคนอาจจะเป็นปัญหาทำไมซาตานมารของมันมันเล่าลงมาตอลอดไม่หนีมาสักทีเลยคำถามเราต้องถามในตอนต้นของภาจนานี้ว่า เราได้นอบน้อมต่อพระเจ้าด้วยจิตใจที่เชื่อฟังทั้งหมดหรื อ, อยังถ้ายังแน่นอนครับมันไม่หนีมันมีกำลังอ่ะเรา เ, าเอาอะไรไปไล่มันอ่ะโลกก็ไ ม, ม่มีดาบก็ไม่มีมันก็หวานจ่อยที่หลอกลวงลังสบายเลยเราต้องมีโลกกระแทกกระทันมันถ้ามันมาใกล้มีดาบต้องแทงให้ทะลุทะลวงเลยเข้ามาใกล้ไม่ได้เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าไกล อ่าค่อยๆเข้ามาใกล้ค่อยๆถ้ามาใกล้ต้องบึง้มแรงไม่ใช่โอ้ยังไงก็ได้สตาร ม, มาข้อที่ประตูก็ก็ก็ขอเข้าบ้านหน่อยเนอเออจะไปเป็นเพื่อนออไม่เป็นไรเนาะแล้วแข่งในพระเจ้าเรามีความเชื่อที่เข้มแข็งเปิดประตูบ้านให้เข้ามาตารเข้ามานั่งที่ห้องรับแขกอยู่ห้องรับแขกนะไม่ต้องไปไหนนะห้องชั้นไหนเป็นห้องของพระเจ้ า, ป เ, จาเป็นห้องอธิษฐานของเราเข้าไม่ได้นะเออไม่เป็นไร ไม่เข้าหลังจากน่าสาตานก็ค่อยๆขําเคลื่อนที่นะเข้าไปห้องนั่งเล่นจากห้องนั่งเล่นเป็ห้องอาหารอกินอาหารด้วยกันจากห้องอาหารก็เข้าไปห้องหนังสือจากห้องหนังสือก็เข้าไปห้องทํางานจากห้องนั้นก็เข้าไปห้องนอนคราวนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้สาตานไม่ฟังแล้วยึดแล้วยึดแล้วโอ้เจ็บปวดเหลือเกินเราทำอะไรไม่ได้เลย หมดสิทธ์เลยถึงแม้เราเป็นลูกของพระเจ้าแต่สมบัตินี้ถูกซาตานยึดแล้วหมดแรงที่จะสู้เลยเราต้องลื้อฟื้นกับใจใหม่ครับทึงเลยสิ่งต่างๆที่่วงชื้นอของเราอยู่ทึงไม่ออกไปไล่มันออกไปขับมันออกไปอยู่ไม่ได้แต่ยากครับยากที่จะทำอย่างนั้น ยากเหลือเกินแต่ถ้าปิดประตูตั้งแต่แรกข้อยังไงก็ไม่เปิดสบายเลยใช่ไหมเขาจะเรียกร้องยังไงด้วยวิธีว่าร้อ ง, ห, องห่มร้องไห้ขอเข้านายคูเข็นไม่เข้าแล้วจะพังประตูนะเราก็ไม่เปิดแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมครับนั่นคือวิธีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่บอกเราว่าให้เรานอบน้อมเชื่อฟังและมานจะหนีท่านไปแน่นอนเมื่อมันเบื่อมันก็ทำไมครับหนีเราไปเพราะอะไร เพราเราเข้มแข็งในพระเจ้าพี่น้องหลายคนนะครับโอโ้ท่องข้องพีนี่เข้มแข็งมากเลยอันหนุนใจให้ผู้เชื่อใหม่ท่องพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ผมก็ท่องนะครับแต่ท่องวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมอืมแล้วพยายามท่องพอท่องตอนนี้พอลุกออกจากที่นั่งลืมทันทีเลยสิ่งที่ได้ก็คือได้เก่าๆครับได้เก่าๆพยายามรื้อฟื้นเหมือนกันจะท่องฉบับใหม่สองพันสิบเอ็ดยูน ก็เลยอ่าใช้สวตรอาจารย์บอลดีกว่าเอาของเดิมเนาะให้เรายึดไว้ตรงนี้จะช่วยเราอย่างมากเลยครับในการที่จะให้เราเนี่ยมั่นคงในพระเจ้าไม่อ่อนข้อไม่ปณีประนอมและยังไงก็ต้องให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคืออาวุธที่สองนะแต่ว่าเรามีสองอาวุธเนี่ยมันเป็นภายนอกเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่ากับอาวุธที่สําคัญมากเลยอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ภายในอาวุธนี้ก็คือการ อธิฐานขอพระวิญญาณส่งช่วยรู้ไหมว่ามารซาตานเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มากเลยเวลามันให้สถานการณ์ต่างๆเนาะเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันก็สมัยครับเข้ามาในใจของเราเข้ามาในสมองของเราเห็นไหมคนนั้นเขากำลังซุบซิบถึงเธอในทางที่ไม่ดีอยู่คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะ ถึงแม้ก็พูดดีกับเธอแต่ลับหลังเนี่ยกำลังพูดให้ไล่กับเธออยู่เราเริ่มเราแวงนะพอราแวงแล้วความรักทำไมครับที่มีต่อพี่น้องเริ่มสูญเสียเริ่มสูญเสียไปแล้วเราก็เริ่มไปพูดกับอีคนหนึ่งล้ะพูดไม่รู้คนนั้นเขาคิดยังไงกับเราเนาะนี่เป็นวิธีของมารซาตาที่จะยุ่งหย่ให้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในข้าจาชกรแตกแยกและไม่เกิดการที่จะรวมตัวกันและทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จ นั่นเป็นยุทธวิธีของมาศาตานั่นเราต้องใช้ยุทธวิธีของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออธิษฐานในพระวิญญาณด้วยการวิงวอนทุกอย่างด้วยการเฝ้าระวังด้วยความเพียรและเผื่อทำมิตชนทุกคนอยู่เสมอนี่เราจะเห็นหลายหลายอย่างนะครับอธิษฐานกับพระวิญญาณเฝ้าระวังอดทน เพียรพยายามและกับเพื่อนคริสเตียนด้วยกันเรากับพระเจ้าโดยมีพระอินยานเห็นไหมครับเห็นภาพไหมเรากับพระเจ้ามีพู้อินยานอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานด้วยกันพระธรรมเอเฟอปพระธรรมโรมบทที่20บทที่8เข้าที่26 บ, บอกว่าบางครั้งเราไม่รู้จะอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานไม่เป็นคําแต่พู้อินยาณที่อยู่ในชีวิเราจะช่วยเราอธิษฐานพเมื่อเราอธิษฐานพระองค์จะช่วยเรา อธิษฐานกับพระเจ้าบอกเรื่องราวที่ชื่นชมมีดีบอกเรื่องราวที่ทุกข์ใจและก็ลาวที่ฐานกับพี่น้องเราด้วยนี่คือพลังที่ทําไมครับลัดจากเบื้องบนและแผ่ออกไปด้านข้างมีพลังมากครับจากเบื้องบนลงมาและจากด้านข้างออกไปเป็นพลังและสิ่งนี้เนี่ยเมื่อเราที่ฐานเถื่อพี่น้องเนี่ยรู้ไหมจะเกิด อ, อะไรขึ้นเราไม่อิจฉาพี่น้องว่าพี่น้องมีของประทานชิ้นนี้สุดยอด แต่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสุดยอดของเขาเราจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเมื่อพี่น้องทำสิ่งนี้ได้ดีขอบคุณพระเจ้าเพราะเลยที่ฐานเผื่อเขาว่าพระเจ้าจะชายเขาในสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเขาทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นมาจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้นจะเป็นของเราด้วยเราด้วยเราหารู้ไม่ว่าซาตานจะทำให้เราเกียจชังพยายามที่จะกีดกันพยายามให้เขาได้ดี ถ้าเขาไม่ได้ดีไม่ได้ทําสิ่งที่ดีเราจะได้ไหมเราก็ไม่ได้นี่แ ล, และเร่จุมาญนี่มันเข้ามาในสมองและเปลี่ยนความคิดของเราที่เป็นความคิดของพระเจ้าให้เป็นความคิดของมันและเราก็ไม่ก้าวหน้าไปกับพระเจ้าและเราไม่สามารถที่จะเป็นบุตรที่สมกับบุตรทีรักของพระเจ้าได้ผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายคนก็ลม้มลงเมื่อผมเตรียมเทศนาในเรื่องนี้ ผมวันไหวมากผมกลัวมากผมผมรู้สึกตกใจและผมต้องอธิษฐานขอพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงช่วยครับพระองค์ถมใจลงและเชื่อวางใจในพระองค์ด้วยผมพบผู้รับใชา้หลายคนสอนเรื่องเพศครอบครัวล้มลงในเรื่องเพศผู้รับใช้หลายคนขนาดเก่งมากสอนในเรื่องของการเงินล้มลงและเสียชื่อในเรื่องการเงินผู้รับใช้หลายคนสอนในเรื่องของตาแหน่งชื่อเสียง ความมีศักดิ์สิทธิพิเศษความมีฐานะของออหน้าที่นะลม่มลงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากและนี่คือสิ่งที่มาสาตานกำลังหลอกลอ่อและผมกลัวมากดูเหตุ น, นี้ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราด้วยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณพูกพันกับพระองค์การอธิษฐานไม่ใช่เวทมนต์คาถา ไม่ใช่สิ่งปลูกสเสพที่อมเพียงเป็นคาถาคมแล้วได้เลยไม่ใช่แต่การฐายคือการพูดกับพระเจ้าโดยปกติเราก็พูดแบบธรรมดาใช่ไหมกับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับวันนี้คุณแม่สบายดีใช่ไหมแต่บางครั้งไม่ปกติต้องพูดแบบทำไมครับหัใจวิงวอน ปบิดาป้าบิดาต้องขย่าวขาลูกชายของผมต้องขยาวขาผมป้าป้าป้าป้ามาเล่นด้วยสิเดี๋ยวก่อนป้าป้าป้ามาเล่นด้วยสิเดี๋ยวก่อนและที่สุดลูกชายบอกว่าป้าป้าป้า้ขอลองห่ะแล้วผมก็ต้องยอมหลังจาเราวินบอนวินบอนกับพระเจ้าแบบต้องการจริงจริงเราจะได้บางครั้งอย่างนั้นครับบางครั้งเจอแม่รู้สึกทุกข์ใจเลยต้องเข้าไปใกล้ๆจับมือคุณแม่สานการ หลายครั้งเราพบพระเจ้ารับอ่อนกําลังเราต้องทําไมครับกลับไปด้วยสารภาพกลับไปด้วยความท้อใจกลับไปด้วยความเหนื่อยหน่ายและทําไมครับขอกําลังขอกําลังบางครั้งเราต้องขอคุณพ่อคุณแม่อธิฐานเกลือเราเพื่อเร า, า, เราจะมีกําลังขึ้นเมื่อลูกชายมีอุปสรคปัญหาก็มาขอพ่อบอกพ่อขออธิฐานเกลือด้วยและเมื่ออธิฐานแล้วเขาก็กลับไปมีกําลังแล้วก็ประสบความสําเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตครู่ครอง ชีวิตการงานชีวิตครอบครัวชีวิตการปฏิบัติรับใช้เข้ามาที่ฐานของเราทุกคนเนี่ยครอบคุมและก็นําชีวิตของเราผมประทับใจมิชรีคนหนึ่งถึงผมผมใช้เป็นแบบอย่างเสมอเลยเนาะเมือ่อผมได้พูดคุยกับใครถึงอีกคนหนึ่งในความบกพร่องของชีวิตของเขาถ้าผมมีโอกาสจะที่ฐานด้วยกันหลังจากที่คุยเสร็จแล้วแต่ไม่มีโอกาสผมกลับมาผมก็จะที่ฐานผมเรียนแบบอย่างนี้ เพราะอะไรพรามารสตามันจะใช้ช่องที่จะบอกว่าเห็นไหมเขานี่บกพรองเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาถึงแม้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ก็ยังทําในสิ่งที่น่าเกลียดไม่เหมาะสมเราดีกว่าเขาเสร็จเลยนะเสร็จเลยก็เห็นนี้เมื่อกี้ผมผมบอกผมต้องกลัวมากเลยความเชื่อนี่ต้องเป็นโล่เลยบงับงๆๆและดาบต้องสู้แต่ยังไม่พอเพราะมันมนมาข้างหลังอะ่ะ มันเข้าทางความคิดอ่ะเข้าทางใจเราอ่ะเป็นลูกศรเพลงที่ยิ่งใหญ่อ่ะจึงมันสามารถทะลุทะลวงเข้ามาในหัวใจของเราและหลอกเราอ่ะให้บอกว่าเราดีกว่าเขานะเสร็จเลยตรงเนี้และเราก็เผือตัวและหลายคนก็ล้มลงในสิ่งที่สอนเพราะว่าไม่ระวดระวังคนเรานะถ้าไม่ระวังเมื่อไหร่นะเสร็จทุกไลน์เลยก็บอกว่าอันตรายที่สุด คือคนใกล้ชิดเพราะเราไม่รู้อ่ะไม่รู้และมาซาดานมักจะมาถึงกับคนที่ใกล้ชิดด้วยและทําลายเราและด้วยเหตุนี้ผมก็ยึดตรงนี้มาตลอดที่จะอธิษฐานสําหรับคนที่เราวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปแล้วและถ้ามีโอกาสและพระเจ้าประทานช่องทางและเมตตาไปบอกเขาว่าเขาควรจะรับพระกุณาคุณของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงนอย่างไร แต่ถ้าไม่ใช่เราไม่ต้องไปบอกครับเพราะว่าการเตือนคนการแนะนําคนเป็นสิ่งที่ต้องมีจังหวะที่เหมาะสมซึ่งเป็นของประธานพิเศษที่พระเจ้าให้และจะเกิดผลถ้าไม่อย่างนั้นเรากับเขาอาจจะแตกคอกันถึงแม้เรามีเจตนาที่ดีก็ตามต้องอธิษฐานขอพระเจ้าชายผมหลายครั้งจะเริ่มที่จะทําบางสิ่งบางอย่างต้องอธิษฐานหลายครั้งพระเจ้าให้พูดโดยตรงเลยแต่หลายครั้งพระเจ้าบอกไม่ต้องไม่ต้องผมก็รอรอรอ และครั้งหนึ่งพระเจ้าก็น่ารักให้คนอื่นพูดแทนเห็นไหมครับเรารอการเคลื่อนของพงญานโดยสุดเรารอวิธานุภาพของพลังกาลังเคลื่อนไปและเชื่อฟังเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดการเคลื่อนไหวในฝ่ายวิญญาณเรามองเห็นเหมือนที่ผบเกินตอนต้นว่าเราจะมองเห็นอนาคตในปัจจุบันนี้และจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีความเชื่อและได้วางรากฐานที่ดีต่อไปนี่คือกาดอธิษฐาน และโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะมีไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมใจกันกันกบพี่น้องในคริสตจักรเห็นไหมครับพระเจ้ามีพระคุณนะและน่ารักเราอย่าคิดว่างว่าคิดจักเรียกร้องคริจักรเรียกร้องให้เราต้องทํานั่นทำนี้ไม่ใช่เลยคริสตจักรกาลังมอบผลประโยชน์ให้กับเราพี่น้องคริสเตียนใหม่ครับอยากจะบอกเราว่าคริสตจักรรักคุณไม่ได้ทําให้คุณลําบากวันนี้ถ้าคุณวางรากฐานที่ดีเหมือนสร้างตึกนะครับ ลึกเท่าไหร่มันลําบากไหมลําบากเฉพาะตอนแรกแต่หลังจากนั้นจะสร้างตึกได้สูงเท่าไหร่ก็สูงได้แต่ท่านไม่วางรากฐานเลยท่านมาสร้างตึกเดี๋ยวมันก็พังครับเดี๋ยวก็ล้มชีวิตต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขต้องต้องรื้อฟื้นอยู่ตลอดเวลาทาต้องวางรากฐานที่ดีโดยขอพุทธญาณบุตรส่งช่วยเราจะได้รับการค้าประกันครับโอ้ใครๆก็ชอบเนาะค้าประกันค้าประกัน พระเจ้าเป็นผู้คําประกันให้กับเรานะครับว่าถ้าเราวินบอลด้วยความกระตือร้นในบางสถานการณ์ที่ต้องการจริงๆไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคนอื่นๆจะได้ประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าจะให้อาจารย์น่ารักเนาะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ให้เราแต่เพื่อไปใ ห, ให้กับคนอื่นด้วยน่ารักมากจริงๆเลยและพระองค์ทรงสอนเราให้เฝ้าอดทนนะ่ะเพียรพยายามอดทนเพื่ออะไรครับ เพื่อเราจะรู้จักรอคอยอ่ะและ้วโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กนี่อดทนไหมครับต้องเอาให้ได้เลยนะไม่ได้ก็ดิ้นเลยนะดิ้นเลยแต่พ่อแม่ต้องสอนลูกอดทนเดี๋ยวยังไม่ให้ตอนนี้กลับบ้านก่อนถึงจะได้บางทีเราก็งองใหญ่กับพระเจ้าใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมในที่สุดพระเจ้าต้องทําไมครับตีตีตีัอ็งผู้วิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราครับในการฟูมฟักร้ายเติบโตขึ้น ในการพุ่งพระองค์ผมพบว่าหลายคนนะครับมาอธิษฐานเราเห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจ้ากาลังเคลื่อนเมื่อก่อนนั้นกิจจากการอธิษฐานก็เป็นกลุ่มเล็กๆไม่ถึงสิบคนก็เริ่มมากกว่าสิบคนเมื่อสุขที่ผ่านมายี่สิบนิดๆแต่ว่าเนื่องจากว่าหลายคนกลับบ้านปีใหม่จีน ไม่อย่างนั้นก็อาจจะถึงสามสิทได้กําลังเคลื่อนไปครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทั้งเช้าวันอาทิตย์และโอเคทั้งเช้าวันอาทิตย์และเคลื่อนมาสุขถ้าเรามาช่วงไหนได้เราก็มาถ้ามาไม่ได้หลายคนมีภารกิจครับต้องทํางานต้องมีเวรต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลคนเจ็บป่วยต้อง ไปไหนต่อไหนก็สามารถอธิษฐานได้และท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพลังแล้วก็ร่วมกันในชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อกรรษัตริย์ดาวิดเนี่ยทำศึกสงครามเนี่ยผู้ลงออกทับทีไรผู้องก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าออกลบดีๆไหมได้รับชัยชนะไหม หลายครั้งพระองตอบโดยจรงเลยบอกไปสิชัยชนะพระองค์จะประทานให้ดาวิดก็ไปครับแล้วก็ได้รับชัยชนะแต่บ่อยครั้งเมื่ออธิฐานแล้วพระองค์ก็บอกว่าดาวิดจะมีความมั่นใจเมื่อทําตามแผนพิชัยยุทธสงครามของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์บอกว่าในครั้งหนึ่งที่ไปโจมตีฟบริสเตียพระองค์บอกว่าไม่ต้องไปด้านหน้าแต่โอบล้อมไปด้านข้าง แล้เมื่อไปด้านข้างแล้วได้ยินเสียสัญญาณแล้วบุกตะลุยทั้งด้านข้างและด้านหน้าดาวิดก็ทําตามยุธวิธีของพระเจ้าและก็ประสบความสําเร็จไมหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าทรงออกหน้าสู้แทนเราครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราพบว่าพระเจ้านําชัยชนะมาสู่การสงครามนั้นโดยที่พระเจ้าเป็นผู้ทํำสงครามเองพระเจ้ามีวิธีของพระองค์หลายรูปแบบเมื่อเราทวนขอต่อพระองค์แล้ว ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้และเราก็จะเคลื่อนไปกับพระเจ้าและพระยานก็จะนำเราโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดมากแม้ว่าเราจะมีความกลัวแต่เราจะไม่กลัวผมชอบตัวอย่างนี้ครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณแม่บอกว่าเอาเงินสิบปาทไปซื้อน้ำปลาที่หน้าปากซอยมาแล้วเด็กกว็วิ่งไปซื้อเลยแล้วรีบกลับมาคุณแม่บอกเร็วหน่อยนะ เด็กคนนี้ก็รีบวิ่งมาขณะที่วิ่งก็ผ่านยายคนหนึ่งที่ข้างบ้านเ อ, เอตรงอยู่กลางซอยเด็กก็เหลียวมองนิดหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามันสะดุดอ่ะพอเหลียวมองสะดุดปั๊บก็ล้มลงและปรากฏว่ า, om, า, วาขวดน้ําปลาเนี่ยก็ตกแล้วก็แตกเด็กก็หน้าเสียดนิดหนึ่งลุกขึ้นมายายคนนั้นบอกไอ้หนูมึงกลับบ้านแล้วโดนแม่ตีเลยทำของแตกโอ้โห oh, ถ้าเป็นเราตกใจนะครับ โอตกใจเลยแต่เด็กคนนี้ลุกขึ้นเลยยืนคุณยายไม่จริงเลยคุณแม่หนูอ่ะเขารักหนูและเขาเข้าใจดีแล้วก็ยืดออกเดินกลับบ้านบอกกับคุณแม่ทําไมเด็กถึงรู้ว่าคุณแม่ไม่ลงโทษเพราะความสัมพันธ์ของเด็กคนนี้กับคุณแม่เขาดีและรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จงใจและเมื่ออธิบายคุณแม่คุณแม่มีความเข้าใจคุณแม่จะไม่สุม 4, ส่มสี่ชมห้าลงโทษ โดยที่ไม่ฟังเหตุผลนี่คือความมั่นใจะระหว่างเรากับพระเจ้าที่มีความสำมาที่ดีแล้วเรารู้ว่าความรักของพระเจ้ามั่นคงแน่แท้ไม่แปรปรวนและเข้าใจความอ่อนแอในชีวิตของเราทุกด้านแม้เราจะผิดแล้วผิดอีกพลาดแล้วพลาดอีกทั้งผัวแล้วทั้งผัวอีกหนึ่งยนบทที่หนึ่งข้อ9มาหาพวกพระองค์จะช่วยเรากรสาตวิทก็มีความผิดมากมายแต่พระเจ้าบอกว่า พระเจ้ารักกระสาเดวิดมากพอใจมากที่กระสาเดวิดได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าจนสําเร็จเพราะกระสาเดวิดผิดแล้วรีบกลับใจผิดแล้วรีบเปลี่ยนแปลงผิดแล้วไม่แก้ตัวผิดแล้วไม่เฉยชัผิดแล้วไม่ปิดบังผิดแล้วไม่โทษคนอื่นแต่ยอมรับยอมรับด้วยจิตใจที่ถ่อมลงและเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้ายกโทษและด้วยเหตุนี้ เราจะเป็นเหมือนดาวิดที่พระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเราโดยพุ่นยานเบรสุดและเมื่อเราไปไหนนะครับไม่ต้องกลัวด้วยมีตัวใหญ่เด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเด็กที่อ่อนแอแล้วก็เพิ่งโตแค่อายุห้าขวบแต่ว่าที่สวนตรงข้ามบ้านฟันถนนฝั่งนั้นน่ะมันเป็นสวนที่สวยงามมากเลยเขาอยากจะไปเล่นแต่ข้ามไปที่ไรเด็กโตอายุสิบกว่าเนี่ยปักหัวปักหัว ไอ้หนูออกไปมันเล่นที่นี่ไม่ได้ที่นี่ของผู้ใหญ่กลับบ้านร้องไหโ้โวยลำบากวันหนึ่งไปเจอเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่โอ้หเพื่อนคนนี้เนี่ยอายุสิบขวบแต่โหยรูปร่างใหญ่มากเลยอืมแข็งแรงแข็งแรงเหมือนใครต้องเหมือนเจ้าเนาะแข็งแรงตอนนี้เจ้เสียงหนุ่มแน่นโอ้พระไพเราะมากเลยแข็งแรงเขาเลยบอกว่า คือ พ, พี่น้องอยากจะไปเที่ยวฝั่งนั้นนะ่ะน้องก็ไปไม่ได้ทูจะทําไงดีกอ้าวเกิดอะไรขึ้นโอพี่พี่ฝั่งนั้นเขาลังแกเหรออยากไปใช่ไหมอ้าวอ่างั้นไปด้วยกันเสร็จแล้วพี่ก็เดินนําหน้าตึ้งตึ้งน้องก็เดินตามตึ้งตึทุกทีมาปับ๊บพวกนี้ต้องกูมาตกหัวบ้างล้อเรียนบ้างผักบ้างโอยร้องไห้กลับบ้านแต่ครั้งนี้เดินด้วยสง่าเลยเพราะพี่มาเด็กก็เล่นเห็นปับ๊บ ไม่กล้าเลยนะถไม่กล้าทําอะไรเลยดูไหมเด็กก็เล่นดับสนุกสนานมีความสุขเหลือเกินพี่น้องครับท่านมีพระอิญิยาบถสุดเป็นเหมือนที่ชายคนนั้นที่แข็งแกร่งและปรารถนาจะให้ท่านได้รับความรื่นรมในสวนที่น่ารักนั้นพระองค์จะพาท่านไปพระองค์จะปกป้องท่านพระองค์เป็นเหมือนคุณแม่ที่เข้าใจท่านและใจดีพระองค์จะไม่ตําหนิ หรือถือโทษท่านแต่พระองค์จะเตือนท่านและรักท่านเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตกับใจใหม่อย่าปล่อยทิ้งนานและการอวยพระพรของพระเจ้าก็จะมาถึงขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทุกท่านครับที่เราจะมีอาวุธนะครับที่ถือไว้ต่อสู้คือหนึ่งโลนะครับใช้ทําอะไรครับป้องกันนะระยะไกลถ้าระยะใกล้ใช้ประโยชน์ ต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยในระยะกระชั้นชิดชช ด, ดาบไปทำไมครับฟาดฟันบุกทะลุทะลวงนะครับทำลายให้สิ้นซากนะครับและอธิษฐานเป็นฤทธิอำนาจของวิญญาณทำไมครับช่วยเราช่วยเราอยู่เบื้องหลังลำพังเนี่ยเราคือเสียนเนี่ยที่ผมเริ่มต้นแล้วว่าแตกตา่างกับคนที่ไม่ได้ให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดา พระเจ้าเขาจะไม่มีกำลังนี้ที่เรามีแต่เราจะมีแล้วก็จะนำเราไปในที่ที่สวยสดงดงามพาะพีจึงบอกว่าให้เราที่จะอวยพรกัรและการเสริมสร้างกันและการและหนุนใจกันและการมาขึ้นจากของท่านนั้นจะทำให้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นพระพรเมื่อชีวิตของท่านเข้มแข็งในพระเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่นเนาะขอให้เราพูดกับตัว เ, เองว่าเราเป็นผู้ชนะ เราเป็นผู้ชนะเพราะพระเจ้าทรงให้ชนะใช้ชนะกับเราอเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่ <sollte a law student> พระบิดาจิรักในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและอวยพรให้ขับพงทางลายได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและขอพึ่งพระยานเบอร์สุด เพื่อเราจะมีสติปัญญามีความรอบรู้และได้รับการปกป้องภายในจากองค์เพื่อเราจะมีกําลังภายนอกในการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพที่องค์ทรงให้กับเราในการป้องกันรละทะลุทะลวงศัตรูของเราให้พ่ายแพ้ไปเพื่อเราจะมีชีวิตที่เป็นนักลบที่สง่างามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนักลบที่ประสบชัยชนะเป็นวีระบุรุษขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของรองค์บัดนี้ขอพระณาสวิจขององค์แต่ต้องทุกหัวใจที่เคยพ่ายแพ้ จะร้องเรียต่อพระงและพึ่งพระญาณบริสุดเราจะมีชัยชนะแับ น, นี้ขอประสงค์ช่วยที่เราล่าเลยต่อการฝึกฝนอาวุธที่ผมส่งให้คือพระชนะของพระเจ้าและความเชื่อที่ถูกสั่นคอนไปนั้นให้เรียกกลับขึ้นมาและใช้เพื่อความชนา ง, งานเพื่อความสัมพันธ์ของเรากับพวกนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและการอบยกอดของพระเจ้าจะเป็นการอบยกอดที่เราเมั่นใจในพระชุย แหความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและไม่มีอะไรที่จะพรากเราจากพวกไปได้แม้จะเป็นความมืดความสูงความกว้างแม้จะเป็นอันตรายแม้จะเป็นความมั่งคั่งหรือความยากจนแม้จะเป็นทุกสิ่งที่เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็าตามพวกจะทรงโปดปกป้องเราไว้จนถึงวันแห่งพระเยซูเจ้ า, าที่เราจะได้ไปอยู่กับพวกขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในวันนี้ที่เราจะเต็มไปด้วย มีมิดหมายชัดเจนในการก้าวเดินต่อพระเจ้าอย่างมั่นคงและอวยพรผู้เชื่อใหม่ทุกคนด้วยพวกเจ้าข้าที่เขาเองจะดูแบบอย่างที่ดีของพี่น้องที่เติบโตขึ้นในพระเจ้ารับการเร้าใจปลุกใจให้เขาต่อถนาจะสุดายหาด้วยตนเองและเติบโตขึ้นเป็นพระพรไม่เพียงแต่ชีวิตของเขาเท่านั้นแต่คนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวของเขาด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ต่อไปนะคะเราจะถวายเพลงบทที่147ค่ะเพลงเชื่อและฟังคําค่ะนเนชื่อน้อน